ความหลังในสังสารบทที่สี่พระโสดาบันวัดกันด้วยอะไรก่อนจะเล่านิทานชีวิตภรรยาเท่าแก่เสงขอให้เจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงช่วยทบทวนว่า เธอเล่ามาถึงตอนไหนแล้วเพราะเธอเองจำไม่ได้เนื่องจากมีเรื่องอื่นเข้ามาแทรกเป็นระยะระยะในขณะที่เล่าหลวงพ่อคะโยมจะขออนุญาตทบทวนความจำของหลวงพ่อหน่อยนะคะคือโยมขอถามว่าเมื่อกี้โยมเล่าถึงตอนไหนแล้วโยมจะได้รู้ว่าความจำของหลวงพ่อยังดีอยู่หรือเปล่ายังดีอยู่ดีครบร้อยเลยโยมแต่จะพูดตรงเกินไป โยมก็จะไม่ชอบจะอนุญาตให้อัตมาพูดไหมล่ะถ้าไม่อนุญาตอัตมาก็จะไม่พูดนิมมลหลวงพ่อพูดได้เลยค่ะรับรองว่าโยมไม่โกรธหลวงพ่อไม่ว่าชอบหรือไม่ชอบในสิ่งที่หลวงพ่อพูดคฤหัสถ์พูดจากใจจริงเพราะไม่รู้ว่าท่านพระครูรู้ความคิดของเธอและพร้อมที่จะแก้แค้น เป็นความสุขของท่านที่จะได้แก้แค้นโดยไม่ต้องบาปเพราะท่านลอยบุญลอยบาปไปหมดแล้วขอบคุณขอบใจที่ให้โอกาสอาตมาเท่าแก่เสงเป็นพยานด้วยนะครับเท่าแก่เสงตอบสั้นๆหากในใจนั้นยังคลางแคลงว่าท่านจะใช้กุศโลบายแบบใดีอเขาไม่เคยเห็นใครฉลาดปลาดเปลืองในเรื่องพาตนให้พ้นจากการถูกกล่าวหาได้ยอดเยี่ยมทัดเทียมท่าน หากเป็นคนธรรมดาเรียกว่าเอาตัวรอดเพราะตั้งแต่สนทนากันมายังไม่เคยปรากฏว่าท่านจนมุมสักครั้งมีแต่ทำให้คู่สนทนาจนมุมไปหลายครั้งอัตมาก็ขอตอบโยมว่าที่โยมบอกจะทบทวนความจำอาตมานั้นแท้ที่จริงโยมเองจำไม่ได้จะให้อัตมาช่วยทบทวนแต่กลัวจะเสียหน้าเลยพูดอีกแบบหนึง่ง จริงหรือเปล่าโยมผ่องสายยอมรับเสียงอ่อยว่าจริงค่ะเอาละ่ะเมื่อยอมรับสารภาพอาตมาจะทบทวนให้เราจบกันตรงที่อาตมาพูดว่ายุ่งแล้วเพราะในอำเภอสองพี่น้องเขาอาศัยอิทธิพลของพ่อเขาและมุ่งมั่นว่าจะต้องแต่งงานกับโยมให้ได้ต่อไปนี้โยมก็จะเล่าต่อให้จบประโยคหลังเป็นคำสั่ง ที่โยมผ่องสายต้องปฏิบัติตามขอบคุณค่ะเรื่องก็ดำเนินต่อไปตรงที่เตียเกิดชอบในอำเภอรูปหล่อคนนั้นแล้วก็อยากได้มาเป็นลูกเขยท่านพระครูพูดขัดขึ้นว่าแล้วโยมชอบหรือเปล่าเตียน่าชอบและลูกสาวเตียชอบไหมท่านถามยิ้มยิ้มเพราะรู้ว่าเหตุการณ์ครั้งนั้นทำให้เท่าแก่เสง็งถูกลมเพชรเหึง กระนำย่ำยีไปหลายวันโยมผ่องใสตอบแบบอ้อมๆว่าโท่หลวงพ่อคะใครจะไม่ชอบคนห ล, ล่อหลวงพ่อชอบไหมคะตอนที่หลวงพ่อเกิดเป็นผู้หญิงหลวงพ่อชอบผู้ชายหน้าตาหล่อเหลาเหมือนพระเอกมิจชัยบัญชาไหมคะตอนอาตมาเกิดเป็นผู้หญิงยังไม่รู้จักมิรชัยบัญชาเพราะเขายังไม่เกิดแต่ตอนเป็นผู้ชาย แล้วก็ บ, บวชเป็นพระแล้วอาตมาชอบเขามากเขาเคยมาที่วัดนี้นะมากับเพชรชราชวราชคนมาดูกันแน่นเลยปีนขึ้นไปยืนบนโอคงน้าเล่นเอาโอค์วัดแตกไปหลายใบเสียดายนะเขาไม่น่าอายุสั้นเลยยมผ่องใสได้ทีจึงแก้แค้นท่านพระครูด้วยการพูดว่าสรุปว่าขนาดหลวงพ่อเป็นผู้ชายยังชอบคนหล่อ และโยมเป็นผู้หญิงจะไม่ชอบก็ผิดปกตินะสิคะท่านพระครูรีบแย้งว่าไม่ผิดหรอกโยมเพราะในอนาคตผู้หญิงจะไม่ชอบผู้ชายหลอแต่จะชอบผู้หญิงหล่อส่วนผู้ชายก็จะชอบผู้ชายสวยไม่ชอบผู้หญิงสวยแล้วโยมคอยดูไปก็แล้วกันว่าจะจริงอย่างที่อาตมาพูดไหยจะจดไว้ก็ได้นะ ไม่ต้องจดหลอก่้าหลวงพอ่อโยมบอกเฮียช่วยจำก็ได้เฮียก็จำเก่งเฮียช่วยจำที่หลวงพ่อพูดด้วยนะโยมผ่องสายสั่งสามีเท่าแก่เสงรับคำจากนั้นโยมผ่องสายจึงเล่านิทานชีวิตต่อเรื่องมันก็ยุ่งอย่างที่หลวงพ่อว่ามานั่นแหละค่ะเพราะความสวยของโยมเป็นเหตุเธอยืดอกพูด เป็นการย้ำว่าเธอสวยจริงๆปลายตาไปมองสามีนิดนึงแล้วจึงเล่าต่อพูดตรงไปตรงมาคือว่าโยมเกิดพึงใจในอำเภอรูปหล่อคนนั้นก่อนหน้านี้เวลามีคนมาขอโยมจะปฏิเสธเสียงแข็งไม่ยอมแต่งท่าเดียวแต่พอมาถึงรายนี้ โยมก็พูดเสี้ยใหม่ว่าตามใจเตี่ยกับแม่ก็แล้วกันเป็นอันว่าทางพ่อเขานัดวันจะมามั่นถามว่าจะเรียกค่าสินสอดเท่าไหร่เตี่ยกับแม่ก็บอกว่าแล้วแต่จะมาเพราะไม่ถือว่าเงินเป็นของสำคัญขอให้รักลูกสาวจริงอย่าทิ้งอย่าคว้างเป็นใช้ได้พ่อเขาก็พูดออกตัวว่าเขาและลูกชายไม่ร่ารวยเหมือนเตี่ยกับแม่ของโยม ไม่มีสมบัติตกทอดจากบรรพบุรุษมีแต่เงินเดือนข้าราชการถึงแม้ไม่มากหากก็พอใช้สอยไปเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งเสร็จแล้วก็บอกว่าจะให้ทองหนักห้าบาทแหวนเพชรครึ่งกระัดเงินสดอีกห้า0มืนบาทรวมแล้วไม่ถึงแสนโยมก็ไม่คอยงกเท่าไรเพียงแต่แอบตำหนิในใจว่าทำไมถึงน้อยจังละ่ะ เพราะเมื่อเทียบกับรายอื่นๆเขาเสนอกันมาเป็นแสนแสนแต่ก็คิดว่าไม่เป็นไรเราได้เป็นคุณนายอำเภอก็เทระเบิดแล้วอีกหน่อยก็จะได้เป็นคุณนายพูว่ายอมก็ฝันเฟื่องไปตามประษาคนสวยที่สุดในจังหวัดท่านพระครูพูดขัดขึ้นว่าแล้วเฒ่าแก่ทำยังไงยิงตัวตายผูกคอตายหรือว่ากินยาตายท่านหันไปทางเฒ่าแก่ ยิ้มนิดๆปรากฏบนใบหน้าความที่อยากรู้เรื่องจึงฟังอย่างตั้งอกตั้งใจโดยไม่รบกวนเห็นหนอเพราะเกรงใจจริงๆเท่าแก่อดข้าวประชดค่ะตอนหลังก็ปรึกษาแม่ชวนแม่ย้ายไปอยู่ที่อื่นเพราะทนไม่ได้ที่จะอยู่บ้านโยมต่อไปเตี่ยกับแม่ก็วางแผนกันว่าจะทําอย่างไรกับเฮียดีในที่สุดก็ตกลงกันได้ว่า จะส่งไปอยู่กับอากูที่ลบบุรีอากูเป็นน้องชายของแม่โยมที่ไปทรมาค้าขายอยู่ลบบุรีน้องชายเฮียที่ไปอินเดียกับเราก็เป็นลูกชายอากูคนนี้อย่างนั้นหรอหรืออาตมานึกว่าเป็นน้องชายทกแกที่เกิดจากแม่เลี้ยงท่านพระครูไม่ได้ถามเห็นหนาจึงได้รู้ว่าน้องชายทกแกเสงที่ไปอินเดียมาด้วยกัน ไม่ใช่น้องชายแท้ๆหากเป็นเมื่อก่อนเท่าแก่เียงจะต้องรีบปฏิเสธว่าเขาไม่ยอมรับผู้หญิงคนนั้นเป็นแม่เลี้ยงแต่ณบัดนี้เขากลับอยากพบหลอนและลูกชายหรือไม่ก็อาจจะเป็นลูกสาวซึ่งเป็นน้องของเขาแต่หลวงพ่อท่านบอกว่าให้เข้ากรรมฐานเจ็ดวันก่อนไม่ใช่เราค่าหลวงพ่อน้องชายเฮียเป็นลูกอากูยมเอง แต่อากูเขารักเฮียมากกว่าโยมทั้งที่โยมเป็นหลานแท้ๆของเขาสรุปว่าเฮียยอมไปอยู่กับอากูที่ลบบุรีและอากูก็เลยเหมาเอาว่าเฮียเป็นลูกชายคนโตส่วนลูกชายคนโตของอากูซึ่งอายุไล่เลี่ยกกับโยมก็เลยกลายเป็นน้องชายเฮียแม้ท่านพระครูจะไม่รบกวนเห็นหนอเพราะความเกรงใจ หากเห็นหนอก็อุตส่าห์บอกท่านพระครูว่าปลายปีหน้าเท่าแก่เสงและภรรยาจะย้ายครอบครัวมาอยู่ลบปุรีเพื่อมาครอบครองสมบัติของพญาโกษาปานเพราะในอดีตโยมเสงเคยเกิดเป็นบุตรชายคนโตของพญาโกษาปานถัดมาอีกปีคือปีพุทธศักราช2530 สามีภรรยาคู่นี้จะนำรูปหล่อสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหมรังสีและรูปหล่อหลวงปู่แสงอาจารย์ของสมเด็จโตไปถวายวัดป่ามะม่วงท่านพระครูขอบคุณเห็นหนาในที่สุดที่อุต่าหนำเรื่องดีมีสาระมาบอกโดยท่านไม่ได้ถามจึงบอกคู่สนทนาทั้งสองผู้เป็นเจ้าของเรื่องว่าอาตมามีเรื่องจะบอกโยมสองคนให้ช่วยจาด้วย อาตมางานยุ่งจำคนเดียวไม่หมดจึงแบ่งให้โยมสองคนช่วยจำแล้วท่านจึงบอกเรื่องที่ท่านรู้มาจากเห็นหนอเมื่อสักครู่โยมผ่องสายรู้สึกตื่นเต้นดีใจยังบอกไม่ถูกหากก็ยังไม่รู้ว่าจะเป็นจริงตามที่ท่านพระครูพูดมาหรือไม่คงต้องคอยดูกันต่อไปสำหรับโยมเสียงนั้นไม่คลางแคลงใจเลยสักนิด เขารู้ว่าจะอาวาดวัดป่ามะม่วงรู้แจ้งและรู้จริงไม่ได้คุยโวโอ้ อ, อวดเพื่อหวังลาบสการะผิดกับผู้ทรงศีลบางพวกที่ชอบอวดอุตริมนุสธรรมที่ไม่มีในตนท่านพระครูมีอุตริมนุสธรรมในตนหากท่านก็ไม่เคยอวดท่านคือพระแท้ที่เขาตามหากันมานานปัจจุบันพระแท้มีแต่หายากขึ้นทุกวัน ในอนาคตจะมีพระแท้ให้กราบไหว้หรือไม่หนอโยมเล่าต่อสิเล่าให้จบแล้วอาตมาจะได้สรุปเป็นธรรมทานก่อนจะถึงวัดธรรมทานในที่นี้หมายถึงการให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องอาตมาจะไม่ให้ความรู้แบบเข้าใจผิดเพราะนั่นเท่ากับพาตัวเองไปตกนรกด้วยพาลูกศิษย์ไปตกนรกด้วยเอหรือว่าเราจะไปทัวร์นรกกันสักครั้งดีไหม ไปเยี่ยมพญายมราชท่านมีอารมณ์ขันอันเป็นปกติวิสัยของท่านผมขอสละสิทธิ์ครับรัวว่าพญายมราชท่านจะไม่ให้กลับเพราะผมเคยคิดไม่ดีกับเตีย๋ยแต่ตอนนี้ผมกลับเนื้อกลับตัวแล้วครับเพราะได้กาลยานามิตรที่ประเสริฐอย่างหลวงพอ่อเขาพูดด้วยความสำนึกในพระคุณที่ท่านพระครูมีต่อเา้า หลวงพ่อคะหลวงพ่อบอกโยมให้เล่าให้จบมาหลายครั้งแล้วแต่โยมก็เล่าไม่เคยจบสักครั้งเพราะหลวงพ่อพาแวะข้างทางอยู่เรื่อยแต่แวะก็สนุกดีนะคะถ้ามีห่วงเรื่องเวลาท่านพระครูจึงบอกเธอว่าต่อไปนี้อาตมาไม่พาแวะแล้วนิมนต์โยมเล่าต่อให้จบเลยอาตมาจะได้สรุปเป็นธรรมทาน คือการให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องโยมผ่องสายอยากจะทักท้วงที่ท่านใช้คำว่านิมนต์กับขลือหัดหากก็ต้องปล่อยเลยตามเลยด้วยอยากให้ท่านสรุปเป็นธรรมทานก่อนถึงวัดป่ามะม่วงโยมก็แปลกใจว่าทำไมเฮียเขายอมไปอยู่กับอากูง่ายง่ายสงสัยเฮียคงโกรธโยมหรือไม่ก็เกลียดหรืออาจทั้งโกรธทั้งเกลียดก็เป็นได้ แต่ตอนนั้นโยมไม่สนใจเพราะกาลังจะได้เป็นคุณนายอำเภอรูปหล่อเหลือเวลาอีกสามวันก็จะถึงกําหนดที่ผู้ใหญ่มามั่นแต่ก็เกิดเรื่องสิก่อนโยมเพิ่งรู้จักเฮียภายหลังว่าเรื่องที่เกิดเป็นเพราะฝีมือของเฮียเองคนเล่าหยุดไม่เล่าต่อเพราะต้องการให้ท่านพระครูพูดว่าโยมเล่าต่อสิท่านพระครูรู้ทันจึงนิ่งเสีย คนเล่าจึงต้องเล่าต่อไปว่าเรื่องก็คือมีผู้หญิงคนหนึ่งมาขอพบเตี่ยกับแม่ที่บ้านเธอมากับพ่อแม่ของเธอพอเห็นโยมเธอพูดขึ้นว่าอ๋อคุณผ่องใสสวยอย่างนี้นี่เองละ่ะคุณปัดใจจึงได้ทิ้งดิฉันและลูกในท้องผู้หญิงทั้งสวยทั้งรวยอย่างคุณน่าจะหาคนที่ยังโสดมาเป็นสามีไม่น่าจะมาชอบคนที่มีลูกเมียแล้วอย่างคุณปัจัยเลย หลวงพ่อทราบไหมคะพอได้ยินผู้หญิงคนนั้นพูดโยมตกใจมากและไม่คิดว่าเขาจะมาโกหกเพราะลูกในท้องเป็นหลักฐานอยู่ถ้าเป็นผู้หญิงคนอื่นเขาอาจจะไม่แคร์แต่โยมแคร์โยมไม่ต้องการผิดศีลข้อสามกลัวตกนรกคะ่ะเตียก็ถามพ่อแม่ผู้หญิงคนนั้นว่าจริงอย่างที่ลูกสาวพูดมาหรือพ่อแม่เขาก็รับรองและบอกว่า ถ้าเตียกับแม่ไม่เชื่อเขาจะพาไปหาหลวงพ่อพยุงที่วัดบัลลังให้เป็นพยานต้องให้พระมาเป็นพยานเพราะคนรู้เรื่องนี้ไม่มีใครกล้ามาเป็นพยานเขากลัวอิทธิพลของผู้ว่าและในอำเภอเดี๋ยวๆก่อนอาตมาขอถามโยมนิดเดียวถามว่าพ่อแม่ในอำเภอที่ว่าเป็นผู้ว่าน่ะเป็นผู้ว่าจังหวัดอะไรนะ สิงบุรีค่ะหลวงพ่อโยมผ่องสายตอบผู้ว่าสิงบุรีอีกแล้วหรือท่านพูดด้วยน้ำเสียงที่คนฟังไม่รู้ว่าท่านชื่นชมหรือว่าตาหนิเจ้าอววาดวัดป่ามะม่วงก็เล่าเรื่องผู้ว่าจังหวัดสิงบุรีเมื่อเกือบสามสิบปีก่อนที่เป็นคนสั่งให้นําเรือดูดทรายมาดูดทรายหน้าวัดท่านพอท่านไปขอร้องไม่ให้ทาเช่นนั้น ด้วยเหตุผลวะ่าตะลิงหน้าวัดกำลังจะพังลงมาแล้วก็จะลุกลามมาถึงตัววัดคนเป็นผู้ว่าที่เห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้ก็แนะนำท่านว่าให้ย้ายวัดไปตั้งที่อื่นเมื่อท่านอธิบายให้ฟังว่าวัดไม่ใช่เสือจะได้ม้วนจากตรงนี้เอาไปปูตรงโน้นเขายังไม่ฟังยังดื้อดึงดื้อด้านไม่เห็นแก่ชาติศาสนา จึงต้องมารับกรรมของความร้ายในบั้นปลายชีวิตสามสิบปีผ่านไปก็ยังไม่ขึ้นจากอบายภูมิพระบาป ก, กรรมที่ทำไว้ไม่มีใครหนีพ้นเวรที่ทำกรรมที่ก่อไปได้ไม่ว่าจะยิ่งใหญ่แค่ไหนมีอิทธิพลม า, มามากมายเพียงใดไม่เช่นนั้นพระพุทธองค์คงไม่ตรัสไว้หรอกว่ากรรมมุนาวัตะติโลโก สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมอย่างนี้แหละหนอท่านผู้ว่าเท่าแก่สิงห์กำลังถามที่มาของพระพุทธวจนะที่ท่านอัญเชิญมาจึงชิงตอบเสียก่อนว่ามาจากพระไตรปิฎกเล่มที่13ข้อที่เจ7เจหน้าที่648้จากนั้นจึงพูดแบบปรงอนิจจังว่าผู้ว่าสิงห์บุรีทำเรื่องอีกแล้วหรือ อะไรกันนักกันหนาอาตมาไม่เข้าใจจริงจิงและท่านก็นิ่งไม่พูดอะไรอีกโยมผ่องใสจึงเล่านิทานชีวิตต่อพอดีเตี่ยกับแม่โยมรู้จักกับหลวงพ่อพยุงท่านเป็นพระดีมีชื่อเสียงทางจังหวัดสุพรรณใครมีทุกข์ร้อนอย่างไรไปหาท่านช่วยท่านก็ช่วยท่านไม่กลัวอิทธิพลใครเคยมีพวกอันธพาลไประรานคนมาทำบุญที่วัดบัลลังก์ หลวงพ่อท่านก็บอกให้กลับไปเสียเขาก็ด่าท่านต่อหน้าคนมาทำบุญเพื่อจะอวดสักดา ว, ว่าข้าใหญ่จริงๆหลวงพ่อท่านก็พูดประโยคเดียวว่าเก่งอย่างนี้เดี๋ยวขอให้เจอดีแล้วท่านก็เดินกลับกุฏิไม่ได้สนใจอีกหลวงพ่อท่านพูดประโยคเดียวว่าพวกอันธพาลซึ่งมีกันห้าคนก็เที่ยวไปหยิบขนมและของบุญมากินแถมกินแล้วก็คว่ำจานไม่ให้ใครกินต่อ แล้วพากันขับมอเตอร์ไซค์ออกจากวัดไปมีคนเล่าว่าพวกเขาเข้าไปขโมยของในบ้านคนแถวนั้นซึ่งเจ้าของมาทำบุญที่วัดได้เงินไปหลายร้อยก็พากันไปกินเหล้ากินตั้งแต่บ่ายสองกระทั่งค่ำจึงพากันกลับบ้านในจานวนคนห้าคนนั้นมีสามคนเมาจนขับมอเตอร์ไซค์ไม่ไหวจึงซ้อนกันไปโดยฝากรถไว้ที่ร้านเหล้า อีกสองคนพอขับได้ก็ขับคู่กันไปกลางถนนเพื่อแสดงความยิ่งใหญ่ของตนว่าแม้กฎจราจรก็ทำอะไรค่าไม่ได้และก็เลยถูกรถบรรทุกที่วิ่งสวนทางมาพุ่งชนตายคาที่สี่ศพอีกคนไปตายที่โรงพยาบาลและได้กล่าวย่อๆให้หมอฟังว่าเกิดอะไรขึ้นเล่ายัางไม่ทันจบก็ขาดใจตายเพราะทนพิษบาดแผลไม่ไหว ย่อมผ่องสายหยุดหายใจเพราะขณะที่เล่าไม่ค่อยได้หายใจเจ้าอาวาสวัดป่ามาม่วงจึงพูดขึ้นว่าหลวงพ่อพยุงท่านเป็นพระสงฆ์ผู้มีศีลาจารวัตงดงามและท่านก็มีคาถาอาคมด้วยแต่ท่านไม่เคยนำมาใช้ในทางที่ผิดและไม่ได้โอ้อวดใคร คนที่ปฏิบัติจะรู้ว่าท่านกับอนาคามีปฏิปทาเหมือนกันคือปลุกคนให้ตื่นเสกคนให้เป็นงานซึ่งมีความหมายลึกซึ้งมากท่านพระครูพูดถึงหลวงพ่อพยุงด้วยความชื่นชมและเรียกว่าหลวงพ่อทั้งที่หลวงพ่อพยุงอ่อนกว่าท่านสี่ปีเท่าแก่เสงจึงรอจังหวะที่จะพูดจึงได้พูดขึ้นว่า ที่อาศัยพูดว่าเรื่องที่ดินเป็นเพราะฝีมือของผมก็คือเหตุการณ์ตอนนั้นแหละครับหมายความว่าอย่างไรเท่าแก่ไปจ้างผู้หญิงคนที่มาแสดงละครให้เตี๋ยกับแม่ของโยมผ่องใสดูหรือให้ท่านพระครูถามยิ้มยิ้มผมไม่เคยคิดที่จะเอาชนะคนอื่นด้วยวิธีการที่ผิดศีลธรรมหรอกครับหลวงพ่อเพราะถึงผมจะรักอาศัยเพียงใด ผมก็จะไม่ยอมละเมิดศีลเพื่อให้ได้เข้ามาท่านพระครูออกปากชมว่ามันต้องอย่างนี้เกิดมาเป็นชายชาติทหารอยากกินน้ำตายสอกใครจะอาวาัดวัดป่ามะม่วงเปรียบเทียบไม่ตรงประเด็นท่านเองรู้สึกหากจะต้องรีบพูดไปก่อนเพราะผัวเมียคู่นี้พยายามช่วยกันต้อนให้ท่านจนมุมแต่ท่านก็หาทางออกได้เรื่อย เห็นหนอทําให้เฉยอยู่ได้ช่วยหน่อยท่านต่อว่าเห็นหนอและขอให้ช่วยเรื่องอย่างนี้ไม่มีสาระไม่ช่วยผูกเองก็แก้เองสิเห็นหนอตอบรวดเร็วทันใจแทบจะไม่ต้องใช้เวลาหลวงพ่อครับผมไม่ได้เป็นชายชาติทหารผมเป็นพ่อค้าครับเท่าแก่เสงพูดเสียงอ่อยด้วยความเกรงใจเป็นที่สุด ถึงไม่ได้เป็นชาตินี้ชาติที่แล้วก่อเป็นไม่เช่นนั้นจะได้ย้ายมาอยู่ลบบุรีหรือเพราะลบบุรีเป็นเมืองทหารท่านพูดไปเรื่อยหากคราวนี้ไม่ได้พูดผิดเพราะเท่าแก่เสงเคยเป็นทหารของสมเด็จพระนารายมหาราชแม้จะไปเกิดและเติบโตที่อื่นหากก็ต้องกลับมาเฝ้าสมบัติของบรรพบุรุษไม่ให้ใครขุดไปขายเพราะ กลายเป็นสมบัติของแผ่นดินไปแล้วเท่าแก่และลูกชายมีหน้าที่เฝ้าให้อยู่คู่แผ่นดินไปตราบนานเท่านานหลวงพ่อคะโยมขออนุญาตเล่านิทานชีวิตให้จบนะคะเดี๋ยวจะไม่ได้ฟังหลวงพ่อสรุปเป็นธรรมทานโยมผ่องใสก็พูดด้วยความเกรงใจไม่แพ้สามีตกลงท่านพระครูตอบสั้นๆ หากตอบยาวไม่ทันได้สรุปแน่ที่โยมพูดก่อนแล้วเฮียพูดทีหลังว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นเพราะฝีมือของเฮียเพราะเฮียมาบอกทีหลังคือหลังจากแต่งงานกันแล้วว่าเฮียได้แอบไปกราบหลวงพ่อพยุงเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ท่านฟังขอให้ท่านช่วยท่านก็แนะนำว่าให้ไปอยู่กับน้องชายแม่ของโยมเพื่อจะได้ไม่รู้ไม่เห็นอะไร แล้วบอกแม่ให้ช่วยกันสวดมนต์บทพาหุงสวดกันคนละเก้าจบทุกคืนจากนั้นก็แผ่เมตตาให้กับนายอำเภอและผู้ว่าพ่อของเขาก่อนแผ่เมตตาให้ขออโหสิกรรมเสียก่อนแล้วได้ผลภายในสามวันหรือเจ็ดวันหรือ9ก้าวันขึ้นอยู่กับพลังของสมาธิและสวดมนต์หลวงพ่อทายสิคะว่า ได้ผลภายในกี่วันโยมผ่องใสาถามท่านพระครูและเกิดความรู้สึกว่านิทานชีวิตของสามีไม่น่าจะเรียกว่าธรรมนานิทานน่าจะเรียกว่านิยายแล้วก็เป็นนิยายน้ำเน่าเสียด้วยไม่ใช่นิยายน้ำกลัน่นไม่ต้องให้อัตมาทายหรอกเพราะดูหน้าก็รู้แล้วเอาล่ะทีนี้อัตมาจะสรุปเป็นธรรมทานให้ฟัง ตั้งใจฟังให้ดีนะสองสามีภรรยารับคําแล้วฟังอย่างตั้งใจเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงสรุปว่าการที่เท่าแก่เส่งได้ดวงตาเห็นธรรมก็คือการบรรลุโสดาปฏิมาคโสดาปฏิผลเป็นเหตุให้ละสังโยชน์สามอย่างได้แก่สัตตยทิฏฐิความเห็นว่าเป็นของตัวตนหรือความเห็นเป็นเหตุถือตัวตนเช่น เห็นรูปเป็นตนเห็นวิทนาเป็นตนเป็นตน้นวิจิกิจฉาความลังเลสงสยัยหรือความเคลือบแคลงในกุศลธรรมทั้งหลายความลังเลเป็นเหตุไม่ให้แน่ใจในปฏิปทาเครื่องดำเนินของตนและศีลปตาประมาตความยึดถือว่าบุคคลจะบริสุทธิ์หลุดพ้นได้ด้วยศีลและวัดกล่าวคือถือเพียงว่าเพียงประพฤติศีลและวัดให้เคร่งครัด ก็พอจะบริสุทธิ์หลุดพ้นได้ไม่ต้องอาศัยสมาธิและปัญญาก็ตามถือศีลและวัดที่งมงายหรืออย่างงมงายก็ตามศีลปตะปรามาตมีความหมายหนึ่งคือความถือศีลพรดโดยสักว่าทำตามตามกันไปอย่างงมงายหรือโดยนิยมว่าครังว่าศักดิ์สิทธิ์ไม่เข้าใจความหมายหรือความมุ่งหมายที่แท้จริง เมื่อท่านอธิบายเรื่องสังโยชน์สามจบลงท่านจึงทดสอบเท่าแก่เสงด้วยการถามว่าสังโยชน์สามอย่างที่อัตมาพูดถึงนี้โยมเท่าแก่มีกี่อย่างบุรุษวัยสตอบอย่างฉับพลันทันใดว่าผมไม่มีเลยสักอย่างเดียวครับท่านพระครูจึงพยากรณ์คือพูดรับรองว่านี่แหละคือคุณสมบัติของพระโสดาบัน ของดีที่โยมได้จากแดนพุทธภูมิก็คือโยมได้ดวงตาเห็นธรรมทำให้เปลี่ยนจากความเป็นปุทุชนมาเป็นอริยบุคคลระดับต้นซึ่งมีชื่อเรียกว่าพระโสดาบันเพราะมีหลวงพ่อเป็นกัลยาณมิตรเขาพูดด้วยความซาบซึ้งใจในเมตตาของกัลยาณมิตรท่านพลักครูพยักหน้าช้าๆแล้วจึงสรุปธรรมทานต่อ พระโสดาบันคือพูดถึงกระแสที่จะนําไปสู่พระนิพพานมีสาประเภทจําแนกตามจํานวนครั้งที่จะต้องเกิดอีกได้แก่เอกพีชีเกิดอีกครั้งเดียวก๊ลังกละเกิดอีกสองถึงสมครั้งและสัตตักขัดตุงประมะเกิดอีกเจครั้งเป็นอย่างมากโยมเท่าแก่รู้ใช่ไหมว่าโยมจะเกิดอีกอกี่ครั้ง รู้ครับผมจะไม่มีชาติที่8เท่าแก่เสี็งตอบท่านพระครูจึงย้า ว, ว่ารู้สึกโยมจะชอบเลขมากเลขน้อยไม่ชอบเหมือนตอนที่หลวงพ่อพยุงให้สวดมนต์แล้วบอกว่าจะสําเร็จภายในสมวัน7วัน9วันโยมก็เลือกเลข9กซึ่งมากที่สุดใช่ไหยโยมท่านถามโยมผ่องใสเพื่อให้ช่วยเป็นพยานข้าหลวงพ่อ เฮียเขชอบเลขมากแต่ไม่ชอบเมียมากใช่ไหมเฮียเฮียขอไม่ตอบนะประเดี๋ยวหลวงพ่อจะหาว่ามาเกี่ยวกันต่อหน้าท่านทําให้ท่านต้องอาบัตถ้าท่านไม่อาบัตเฮียก็ต้องอาบัตกระลึกหัดพูดสรรพยกบรรพชิตแล้วคิดในใจว่าเฮียมีเมียที่สวยที่สุดประเสริฐที่สุดอย่างนี้นางในปัตถพีไม่มีเหมือนเพราะฉะนั้นเฮียจึงไม่ชอบเมียมาก เพราะไม่อยากมีปัญหาท่านพระครูไม่ใส่ใจคำสรพยอนนั้นด้วยต้องการประหยัดเวลาท่านจึงมุ่งมั่นสรุปธรรมทานต่อไปการเป็นโสดาบันวัดกันด้วยการละสังโยชนย์ได้สามอย่างแล้วมีอะไรที่จะมาวัดความเป็นโสดาบาันอีกหรือไม่เท่าแก่ลองสังเกตดูซิว่ามีอะไรในตัวเราที่ไม่ดีแล้วบัดนี้มันได้หายไป เ่าแก่เสียงตอบทันทีว่ามีครับหลวงพอ่อผมคิดจะเรียนถามหลวงพ่ออยู่พอดีแต่ไม่มีโอกาสคืออย่างนี้ครับตอนบ่ายวันที่สี่กุมภาพันธ์หลังจากที่ผมได้ดวงตาเห็นธรรมแล้วผมเกิดความรู้สึกว่าผมรักและศรัทธาเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ถ้าจะมีใครมาบังคับผมให้เชื่อ แม้จะเอาไปฆ่าผมก็ยอมตายเรียกว่ารักขนาดยอมตายถวายชีวิตได้ทันทีไม่รีรอแล้วผมก็ตั้งปณิธานว่าจะรักษาศีลห้าให้บริสุทธิ์ผุดพองมิให้ขาดมิให้พร่องแม้สักน้อยนั่นก็เป็นเครื่องวัดความเป็นโสดาบันบุคคลคือพระโสดาบันจะมีศรัทธามั่นคงในพระลัตนตรยัยและมีศีลบริสุทธ ศีลในที่นี้หมายถึงศีลห้าพระโสดาบันจะไม่ละเมิดศีลห้าตลอดชีวิตมีอย่างอื่นอีกไหมเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงถามพระโสดาบันอีกมีครับหลวงพ่ออีกอย่างหนึ่งที่ผมรู้สึกก็คือว่าผมเป็นคนค่อนข้างตระณีเพราะต้องทํางานช่วยแม่หาเงินตั้งแต่อายุได้แปดขวบทั้งผมและแม่ต้องหาเงินด้วยความยากลําบาก จึงกระเมตดกระแมเกินความจําเป็นจนกลายเป็นคนตระหนี่เหนียวแน่นทั้งแม่ทั้งลูกแต่พอชีวิตผมเปลี่ยนไปตอนพบอาศัยผมก็ไม่ต้องตระหนีอีกเพราะเรามีที่อยู่ที่กินแล้วยังมีเงินเดือนอีกครอบครัวอาศัยไม่ฟุ่งเฟือยแต่ก็ไม่ตระหนีทีเหนียวแล้วก็ชอบทำบุญให้ทานทำบุญครั้งละมากมาก แรกแรกผมก็เสียดายแทนเพราะความที่ผมเป็นคนตรีหากก็คิดว่าไม่ใช่เงินทองของผมแล้วผมจะต้องไปเดือดร้อนอะไรด้วยต่อมาผมก็แอบอนุโมทนาในใจว่าครอบครัวนี้ใจบุญเหลือเกินทำบุญบริจาคทานไม่เว้นแต่ละวันต่อมาผมก็เปลี่ยนไปอีกคราวนี้ผมขอร่วมทาบุญด้วยหากก็ทาแต่น้อย เพราะยังนึกเสียดายอยู่แม่ก็ไม่ห้ามและร่วมอนุโมทนาด้วยทุกครั้งกระทั่งเราแต่งงานกันอาศัยก็ไม่เคยหยุดทำบุญให้ทานแถมทำครั้งละมากมากแต่นิสัยตระหนี่ของผมยังไม่หมดไปพอเห็นเขาบริจาคเป็นแสนเป็นล้านผมก็นึกเสียดายแต่ก็ไม่ได้ว่าอะไรเขาเพราะสังเกตว่ายิ่งเขาทำบุญ เขาก็ยิ่งขายของดีมันแปลกนะครับหลวงพ่อไม่แปกลกหรอกโยมเท่าแกมันมีตัวอย่างอาตมามีคาถานะคาถาเรียกทรัพย์อยากได้หรือเปล่าล่ะถ้าอยากได้จะบอกให้ไม่อยากครับผมพอแล้วรวยพอแล้วบุรุษวัยสสห้าตอบจากใจจริงแต่โยมอยากได้ค่ะโยมยังไม่พอ อยากมีเงินเยอะๆจะได้ทำบุญให้ชุ่มใจไปเลยภรยาบุรุษวัยส5พูดขึ้นถ้าอย่างนั้นอาตมาบอกโยมผ่องใสก็ได้โยมเท่าแก่ไม่อยากได้ก็ไม่เป็นไรแล้วท่านจึงบอกคาถาเรียกทรัพย์ว่าอาตมาได้คาถานี้มาจากหลวงพ่อสด ปากน้ำภาษีเจริญเมื่อปี2493หลังจากบวชได้สองปีอาตมาไปเรียนวิชาธรรมกายจากท่านได้ของดีมากมายโดยเฉพาะคาถานี้ทำให้เงินไหลนองทองไหลมาวัดป่ามะม่วงเลยรวยโยกใหญ่ท่านพูดยิ้มยิ้มนึกถึงภาพวัดปากน้ำที่มีคนไปทำบุญมากมาย แม้หลวงพ่อสดจะมรณาภาพไปหลายปีแล้วแต่วัดปากน้ำก็ยังมีเงินมหาศาลเรียกว่ารวยไม่เลิกทำให้สมภารองค์ต่อมาจับจ่ายใช้สอยในการสาธารณะต่างๆอย่างคล่องมือเป็นต้นว่าให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนตำรวจนักเรียนทหารและนักเรียนพยาบาลเป็นประจำทุกปีปีละหลายร้อยทุนคาถาของหลวงพ่อสดคือ ยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งหวงยิ่งอดหมดก็ไม่มาเราไม่หวงกันเราก็ไม่อดหมดก็มาเรื่อยๆนี่แหละครั้งที่สุดอาตมาทดสอบมาแล้วเมื่อท่านพระครูบอกคาถาจบเท่าแก่เสงก็ย้ําอีกว่ามันแปลกนะครับหลวงพ่อไม่แปกลกหรอกโยมเอาละ่ะทีนี้หลังจากโยมได้ดวงตาเห็นธรรมแล้ว โยมยังคิดเสียดายเงินอีกไหมเวลาทำบุญน่ะไม่คิดเลยครับหลวงพ่อตั้งแต่บ่ายวันที่สี่เป็นต้นมาผมนึกย้อนไปในอดีตว่าทำไมตอนนั้นผมถึงเสียดายเงินแต่ณวันนี้ผมกลับรู้สึกว่าต่อไปนี้ผมจะทำบุญบริจาคทานโดยไม่นึกเสียดายอีกต่อไปความรู้สึกที่ว่านี้มันเกิดขึ้นมาเอง โดยที่ผมไม่ได้ไปบังคับให้มันเกิดคนที่เป็นพระโสดาบันเป็นอย่างนี้ทุกคนหรือเปล่าครับหลวงพอ่อหรือเป็นแต่ผมท่านพระครูตอบว่าพระโสดาบันแท้ต้องละความตรณีได้เหมือนที่โยมเท่าแกละได้แล้วแต่พระโสดาบันเทียมนอกจากละไม่ได้แล้วยิ่งตรณีหนักขึ้นทั้งตรณีทั้งงกเลยละ่ะ ท่านนึกถึงพระโสดาบันเทียมทั้งหลายที่มาวัดโดยที่อ้างว่าสำเร็จโสดาพระโสดาบันก็มีแท้มีเทียมเหรอครับเป็นอย่างนั้นพวกโสดาเทียมมาที่นี่กันมากมายมาข่มอาตมาด้วยบอกว่าเขาเป็นโสดาแล้วแต่อาตมายังเป็นปุถุชนเขาจึงไม่กราบอาตมาบางรายเป็นผู้หญิงเสด้วยจะให้อาตมากราบเขามันจะมากไป อาตมาก็เลยบอกว่าอาตมายังไม่เป็นโสดารอกเพราะการเป็นโสดาจะต้องผ่านโสดีก่อนที่ว่าโยมเป็นโสดาน่ะอาตมาไม่เชื่อหรอกแค่โสดียังไม่ผ่านเลยมีอย่างหรือจะให้พระกราบผู้หญิงอาตมาไม่กราหรอกพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนอาตมาก็เทศสลุปขึ้นเปิดแหนบไปเลยไม่ลาอาตมาด้วยนะ เอาละสำหรับโยมอาตมาขอสรุปเป็นธรรมทานได้อีกอย่างหนึ่งคือพระโสดาบันจะตัดความตรณีได้อย่างเด็ดขาดนี่เป็นเครื่องมือวัดพระโสดาบันอีกประการหนึ่งจากนั้นท่านก็อธิบายเรื่องความตรณีดังนี้ความตรณีมาจากคําบาลีว่ามัจฉริยะหมายถึงความตรณีความหวงความกีดกันไม่ให้ผู้อื่นได้ดีหรือมีส่วนร่วม ในพระไตรปิฎกเล่มที่11ข้อที่282หน้าที่246ได้กล่าวถึงความตรณีไว้หอย่างเรียกในภาษาบาลีว่ามัชชริยะหได้แก่ 1. อาวาดมัชชริยะตรณีที่อยู่ห่วงที่อาศัยท้องถิ่นดินแดนอย่างสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีกองทัพพม่า ยกมาตีเพราะจะแย่งชิงท้องถิ่นดินแดนไทยเพราะมีอาวาทมัชริยะชักจูงไป 2. กุลละมัชริยะระนีตรกูลหวงสกุลเช่นพวกสักยะวงซึ่งเป็นวงของพระพุทธเจา้าวงนี้จะไม่แต่งงานกับวงอื่นจะแต่งกันเฉพาะในวงของตนจนกลายเป็นเหตุใ ห, ให้เกิดสึกสงครามใหญ่โต ทำให้พวกศักยะวงแทบจะศูญย์สิ้นไปจากแผ่นดินชมพูทวีปจำได้ใช่ไหมที่พระวิทยากรบรรยายเรื่องพระเจ้าวิทูทพะณนะโอรสพระเจ้าประ เ, ระเสทิทธิแห่งแคว้นโกศลที่เกิดจากนางว่าสภคติยาพระเจ้าประสิทธิอยากจะเป็นพระญาติกับพระพุทธเจ้าเพราะพระองค์รักพระพุทธเจ้ามากจึงไปขอศักยะธิดามาเป็นมเหสี พวกศักยะยวงก็ประชุมกันไม่ต้องการปักปนสายเลือดกับพวกอื่นจึงส่งทิดาของพระเจ้ามหานามะที่เกิดจากนางทาสีไปให้ต่อมานางวาดสภาคติยาประสูตรพระโอรสมาองคหนึ่งคือเจ้าชายวิทูทภะเรื่องมันยาวโยมจำได้ใช่ไหมอาตมาไม่เล่าต่อนะท่านรู้สึกขี้เกียจเล่าจึงถามคนฟัง ไม่เป็นไรครับหลวงพ่อนิมนต์ต่อข้อสามเลยครับเท่าแก่เสงนิมนต์ 3. ลาภมัจจริยะรณีลาภหวงผลประโยชน์อันนี้ดูในประเทศเราก็ได้จะมีคนประเภทหวงผลประโยชน์ของตัวแต่อยากได้ผลประโยชน์ของคนอื่น ก็จะแย่งชิงดีชิงเด่นกันทำให้แผ่นดินลุกเป็นไฟมีทั้งน้ำทั้งไฟคือไฟไหม้แล้วก็น้ำท่วมอีก23ปีข้างหน้ายมได้เห็นแน่แต่ไม่ต้องตกอกตกใจไปหรอกคนที่อยู่ในศีลในธรรมจะทำใจได้มันเป็นไปตามกรรมของมนุษย์ที่ถือกำเนิดมาในโลกไม่ใช่แต่ประเทศเราเท่านั้น ถึงประเทศอื่นก็เหมือนกันเรียกว่าเดือดร้อนกันไปทั้งโลกเพราะลาบมัจฉิยะเป็นเหตุ 4. วันนะมัจฉิยะตรณีวันนะห่วงสรีระวันนะคือผิวพรรณของร่างกายไม่พอใจให้ผู้อื่นสวยงามห่วงคุณวันนะคือคำสรรเสริญคุณไม่อยากให้ใครมีคุณความดีมาแข่งตน ไม่พอใจได้ยินคำสรรเสริญคุณความดีของผู้อื่นตลอดจนแบ่งชั้นวันนะหธรรมะมัชฉริยะตรณีธรรมห่วงวิชาความรู้และคุณพิเศษที่ได้บรรลุไม่ยอมสอนไม่ยอมบอกผู้อื่นกลัวเขาจะรู้เท่าเทียมหรือเกินตนมัชฉริยะห้าอย่างที่อาตมากล่าวมานี้โยมเถ่าแก่มีครบทั้งห้าอย่างเลย หรือว่ามีบางอย่างท่านทดสอบคุณสมบัติของพระโสดาบันอีกครั้งตัวเลือกของหลวงพ่อข้อสองนี้ผมไม่มีทั้งสองข้อเลยครับเพราะมัจฉริยะห้าอย่างของผมหมดไปเมื่อตอนบ่ายของวันที่สี่กุมภา พ, พันธ์ที่ผ่านมาครับเท่าแก่เสงีตอบอย่างผู้อาจหารในธรรมดีมากตอบดีมากเพราะถ้าเหลือมัจฉริยะแม้อย่างเดียว ก็เป็นพระโสดาบันไม่ได้ท่านพระครูชื่นชมและจึงกล่าวถึงเครื่องวัดอีกประเภทหนึ่งและคงเป็นประการสุดท้ายอริยวัถิซึ่งแปลตามสั์ว่าความเจริญอย่างประเสริฐหลักความจริงของอริยชนหรือความเจริญงอกงามที่ได้สะสมเป็นอริยสาวกสาวิกาอริยวัถิมีห้าอย่างได้แก่ 1. มีศรัทธามีความเชื่อเลื่อมใสในพระรัตนตรยัยหมดความสงสัยในกฎแห่งกรรม 2. ศ ส, สีลมีความประพฤติดีทางกายวาจามีการเลี้ยงชีพโดยสุดจริตตามหลักศีนห้าอย่างบริบูรณ์สสุตะเป็นผู้มีการศึกษาคือได้เรียนรู้พระธรรมอย่างถูกต้องตามหลักไตรสิกขา 4. จาคะอยู่ครองเรือนด้วยใจที่ปราศจากความตรณียินดีในการสละการให้การเฉลี่ยเจือจานแบ่งปันทรัพย์สิ่งของเพื่อความสุขของผู้อื่นไม่ยึดติดในอามิตรสุขเฉพาะตน 5. ปัญญามีปัญญารู้แจ้งอริยสัจสีมองเห็นปฏิจจสมุปบาทเข้าใจหลักไตรลักษณ์เป็นอย่างดี จนสลัดความเห็นผิดต่างๆออกไปได้เป็นผู้หมดความสงสัยในอริยสัจสี 4. มุ่งปฏิบัติธรรมตามหลักสติปัฏฐานเพื่อบรรุวิปัสนาญาณอริยวัตที่ห้าอย่างที่อาตมากล่าวมานี้โยมเท่าแกมีกี่อย่างเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงถามเป็นคำถามสุดท้ายบุรุษวัยส5สห้าตอบฉะฉานว่า มีครบห้าอย่างเลยครับเพราะผมมีหลวงพ่อเป็นกัลยาณมิตรโดยเฉพาะข้อสุดท้ายผมได้รับความอนุเคราะห์จากหลวงพ่อเมื่อวันที่สองที่ผ่านมาหลวงพ่อบรรยายปฏิจจสมุปบาทที่พระมหาเจดียพุทธคยาใต้ต้นพระศรีมหาโพลเรากับจะทราบว่าอีกสองวันผมจะพบของดีหลวงพ่อจึงปูพื้นฐานด้านปริยัติให้ผม แล้วก็แปลกวันนั้นผมฟังด้วยความเข้าใจซาบซึ้งทั้งที่ปฏิจจสมบบาทเป็นเรื่องยากแก่ความเข้าใจของผู้ที่ยังเป็นปุถุชนอย่างผมและที่สำคัญอีกอย่างหนึง่งที่ผมจำติดตาตรึงใจก็คือวันนั้นหลวงพ่อได้สัมผัสมือกับองค์ดาลัลลามะประมุขของทิเบตและเป็นพระนิกายมหายานผู้มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของคนทั่วโลก ครูหัดพูดจบรถก็มาจอดที่หลังกุฏิจเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงพอดิบพอดี